เพราะเหตุนั้นเราเป็นผู้ได้รับทุกข์หรือว่าเรามีความรักจึงเป็นทุกข์เราได้ปลอบมารดาปิดาของทารกนั้นผู้มีทุกข์เศร้าโศกให้หาให้สางแล้วได้ทำสัจจากิริยาอันเป็นประโยชน์สุดก่อนว่านะสัจจะกิริยาของด้านนะคือเราผู้ต้องการบุญได้ประพฤติพรหมจรรย์มีจิตเลื่อมใสยอยู่เจวันเท่านั้น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 พร้อมกับเมื่อเราทําสัสจจะกกิริยามานพหวั่นไหวด้วยกําลังพิษไม่รู้สึกตัวได้ฟืน้นกายหายโรคลุกขึ้นได้ผู้เสมอด้วยความสัตว์ของเราไม่มีนี้เป็นสัสจจะบา ร, รมีของเราเชนิดแล้วพูดถึงเรื่องของท่านกันหะทีปายณนะเนี่ยนะบอกว่าพระโพธิสัตว์ในการนั้นชื่อว่าทีปายณนะเข้าไปหาดาบ ท, ที่เป็นเพื่อนคือใครมันทัพพยะมานพ มัทพยาผู้เป็นสหายของตนที่ถูกเสียบเหลาไม่ทอดทิ้งดาบทด้วยศีลคุณของเขาก็ยืนพิงอยู่กับหลาตลอดสามยามก็เลยชื่อปลักมีชื่อว่ากันหะทีปายนะเพราะร่างกายมีสีดำด้วยหยาดเลือดแห้งที่เก ล, ล็ดไหลจากร่างกายของดาบทตกลงมาใส่ถามว่าทำไมน้อพระโพธิสัตว์เนี่ยนะ ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อนภิระโตเนี่ยนะอนะอนะิระโตนั้นแปลว่าไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ยินดีในการหลีกเล่นเลยไม่ต้องการเจริญกุศลใดใทั้งนั้นแหละแปลว่าเบื่อในการหลีกเล่นเบื่อในการเจริญกุศลเต็มทีครั้นบวชแล้วพระโพธิสัตว์ยินดีอย่างที่กล่าวเนี่ยแค่เจวันเท่านั้นต่อจากนั้นก็เบื่อเต็มทีในการเจริญสิกขาเบื่อเต็มทีในการหลีกเล่นเนี่ยนะ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 เหมือนกับตอนฝนตกฟ้าขนองฝนคำรามนี่ก็น้ำท่วมน้องไปหมดอีกพักหนึ่งหาเนี้ยน้ำหยดเดียวก็หาไม่ได้เนี่ยมันแหลงไปหมดปุถุชนนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละว่างันก็เพราะเหตุไรท่านจึงไม่ครองเรือนเอ่อทำไมไม่กลับไปครองเรือนใหม่เล่าเพราะครั้งแรกเห็นโทษในกามทั้งหลายด้วยอัธยาศัยในเนคขมมะจึงบวชแปลว่าที่มาบวชนี่บวช ด, ด้วยอัธยาศัยเก่าในอดีตชาติเป็นปัจจัยก็อยากบวชนะก็เลยมาบวช เมื่อเป็นดังนั้นพระมหาบุรุษนั้นเกิดความไม่ยินดีเพราะอะไรเพราะไม่ใส่ใจโดยโยนิสโสมานสิการเพราะบวชเข้ามาแล้วก็ทิ้งโยนิสมานสิการไม่สนใจการเจริญสมถะวิปัสสนาอะไรเลยเนี่ยนะพระมหาบุรุษนั้นแม้เมื่อไม่สามารถบรรเทาความไม่ยินดีนั้นได้จึงเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมนะละสมบัติใหญ่ออกจากเรือนละสมบัติใดกลับไปเพื่อสมบัตินั้นอีก อันนี้ไม่มีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าถ้าท่านละแล้วท่านไม่เอาเพราะอะไรเพราะท่านรังเกียจคําติเตียนนี้ว่าการหักทีปายณะนี้บ้าน้ําลายกลับกรอกจริงหนอก็แสดงว่าอที่ที่ไม่ยอมกลับไม่ยอมสึกก็เพราะอะไรเพราะกลัวเขาว่าเอาว่าบ้านเน่นอนน่ะ น, นะบวชบวชสึกๆเนี่ยนะกลับกรอกไม่แน่นอนอะไรเลยเอายังไงกันแน่ชีวิตนี้มางกินนะ่ะนะจะบวชหรือจะไม่บวชเป็นต้นก็กลัวคำคอรหาเป็นต้นเขาจะพูดกัน ขณะเดียวกันก็เกรงหิริโอตะปะของตนจะแตกก็ตัวเองจริงๆพื้นฐานก็เป็นคนที่อายชั่วอายชั่วกลัวบาป ก, ก็จริงในอย่างที่ว่าเนี่ยบางคนนี่มีอัธยาศัยดีปรารถนาอยากจะบวชอยากจะเจริญแต่ว่ามันมันอยู่ด้วยความไว้เงาเนี่ยนะเจอเจอนักบวชที่เป็นเพื่อนกันมาลายรูปเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้แหละนะไม่ใช่มีในคัมภีร์อย่างเดียวหรอกเหมือนกัน อันหนึ่งขึ้นชื่อว่าบุญในการบรรปัญญานี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแล้วอันนี้คือเหตุผลหนึ่งะนะที่ท่านไม่ยอมศึกเพราะอะไรเพราะเหตุผลว่าพระพุทธเจ้าสรนเสริญการบวชกันพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญการบวชพระปเจกับพระพุทธเจ้าก็สรนเสริญการบวช พ, พุทธสาวกทั้งหลายท่านก็สันเสริญการบวชเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่ยอมศึกแล้วก็ยังพอสา ม, มารถที่จะบวชอยู่ต่อไปได้ก็หมายถึงขนาดเรียกว่า ไม่บวชนี่ตายแน่ผ้าเหลืองร้อนระอุไปหมดไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรแต่เพียงแต่ว่าอยู่ด้วยความไม่เต็มใจเท่านั้นก็ได้ยอยู่ได้นะไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษแม้ร้องให้น้ําตานองหน้าด้วยความทุกโทมนัดก็ยังอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ยอมสละพรหมจรรย์ก็แสดงว่าบางวันนี่ก็เสียอกเสี ย, สยใจเหมือนกันนะอยาก ก, ก็บอกว่าไอ้ร้องให้ก็คือร้องให้อะไร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 นึกถึงคนอื่นเขามีความสุขเมื่อไหร่ก็น้ําตานองหน้าเลยแหละเสียอกเสียใจถ้ายิ่งไปผิดพลาดมีอับดับติดตัวอย่างได้อย่างหนึ่งก็น้ําตาร่วงเลยแหละแต่ก็ไม่ยอมสึกเนี่ยนะก็ไม่ยอมสละพรมาจันนั้นก็แก้ไขสะสางกันไปอะไรกันไปบางรูปนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยกระ่องกระเร่งได้ได้ยามทีก็อยากจะสึกทีหนึ่งกันนะก็อยู่ต่อไปก็อยู่ได้ตั้งหลายปีกันเนี่ยนะบางคนก็อยากสึกทุกปีนั่นแหละ ตอนเขาบอกว่าอยากศึกทุกปี20ปีอ่ะนะหลังจากนั้นคือค่อยเลิอกอย่างี้ก็มีงกมันหลากหลายจริงๆอ่ะนะพระโพธิสัตว์นี่ขนาดสั่งสมบารมีมาสีอสงไขยแสนกับเนี่ยอัทยาสาัยความเป็นนักบวชเนี่ยเต็มที่ขนาดนั้นก็ยังเบื่อหน่ายในการเจริญกุศลระะัะถ้าหากว่าเราเองอยเงาไม่อยากเจริญกุศลให้รู้เท่าว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่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 ก็กลับมาอีกที่เขาไม่ศึกก็เพราะเขารังเกียจคำพูดนี้ว่ากันหะทีปายณะนี้บ้า น, น้ำลายกลับกรอกเราไม่ปรารถนาจะพระพฤติพรมจรเสียเลยอันหนึ่งฐานะของสัตว์บุตรอันผู้รู้สรรเสริญแล้วเราจะเป็นผู้ทาบุญอย่างนี้นะบวชอย่างน้อยก็ไม่เด็กไปก่อกรรมทำความชั่วไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ต้องไปทาบาปทำอกุศลถึงใจจะไม่ยินดีในกุศลแต่ก็ไม่แปดเปื้อนไปด้วย บาปทุกจริตอะไรก็ทนทนอยู่ไปอ่างนั้นพี่บอกว่าเพื่อนที่เชื่อว่ามันทัพยเนี่ยนะมนทัพยะเป็นรูสีที่มีอนุภาพมากา น, นเป็นรือเป็นมหารูสีนะเป็นรูสีที่มีฤทธิ์ปุพภะกรัรมมะสมายุโตสุลมาสุลมาโรปนังลพิความว่าประกอบด้วยบุรพกรรมของตนถูกเสียบด้วยเหลาทั้งเป็น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 ละกามเมื่อญาติมิตรบริวารชนร้องให้คร่ำครวรก็ออกบวชไปสร้างอาสมอยู่ในหิมวันตตะประเทศบวชแล้วเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารอันเป็นรากไม้และผลไม้ด้วยป่าและก็ด้วยการเที่ยวขออาหารอยู่เกิน50ปีก็แสดงว่าอายุตอนนั้นเนี่ยท่านอายุไม่น่าจะต่ำกว่า 7-80 ปปีแล้วละ่ะ ทั้งสองไม่สามารถจะข่มกามาฉันทะได้แม้เพียงชานก็ให้เกิดขึ้นไม่ได้ดาบททั้งสองก็เที่ยวจาริกไปยังชนบทเพื่อเสพอาหารมีรถเข็มรถเปรี้ยวไปจนถึงแค ว, ว้นกาสีนะักแคว้นกาสีนั้นในนิคมแห่งหนึ่งสหายเก่าของสหายเก่าที่เป็นขึ้นหัดของทีปายนะชื่อว่ามันทพยาอาศัยอยู่ ทั้งสองคือฤาษีเนี่ย ก, ก็เข้าไปหามันพยะนั้นมันพยะนั้นเห็นดาบ ท, ทั้งสองก็มีก็ดีใจสร้างบรรณาศาลาบำรุงด้วยปัจจัยสดาบทก็อยู่ณที่ตรงนั้นสาสี่ปีนนแต่ตรงนี้เขาบอกว่าด้วยใจดีด้วยดีความดีใจเลื่อมใสแต่ไม่ได้ดีใจตลอดนะเดี๋ยวตอนหลังเขาจะมีบอกอกีกเต็มไปด้วยไม้อะไรเสร็จแล้วก็อยู่ตรงนั้น3ามสี่ปีก็ลามันพยะ เที่ยวจาริกไปอาศัยอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยไม้แตงใกล้กรุงพาราณสีที่นั้นทีปายนาก็อยู่ตามความพอใจแล้วก็กลับไปหามันทพยะสหายของตนในนิคมอีกส่วนมันทยับดาบทก็ยังอยู่ที่ป่าไมา้แตงใกล้กรุงพาราณสีต่อไปก็ยังอยู่ในป่าเจริญสมณะธรรมจนได้ฌานอยู่มาวันหนึ่งโจรคนหนึ่งทําโจรกรรมภายในเมืองลักทรัพย์หนีก็เลยถูกพวก เจ้าของเรือนเนี่ยแ ล, และพวกมนุษย์ที่รักษานครติดตามออกไปทางท่อน้ําเสร็จแล้วก็รีบเข้าป่าชา้าทิ้งหอทรัพย์เอาไว้ที่ประตูบรรณศาลาของดาบดแลว้วก็หนีไปโจรเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะไม่รู้เอาเงินเอาทองไปทิ้งไว้ตรงไหนก็ทิ้งไว้หน้ากุฏิฤาษีพวกมนุษย์เห็นหอทรัพย์ก็เลยคุกคามว่าเจ้าชะดินชั่ว เ, เจ้าชะดินคนชั่วร้ายทําโจรกรรมในเวลากลางคืนกลางวันก็เที่ยวโดยเพศของนักบวชก็เลยช่วยกันทูบตี ดาบทนั้นเสร็จแล้วก็จับไปแสดงแก่พระราชาพระราชามิได้ทรงสอบสวนมีพระบัญชาสั่งให้เสียบเหลาพวกมนุษย์ก็นําดาบทไปยังป่าช้าเสียบด้วยเหลาไม้แต่เขียนเหลาก็ไม่เข้าไปในร่างกายของดาบทแต่นั้นก็นำเหลาไม้เสดามาเหลาไม้เสดาก็ไม่เข้าอีกก็เลยไปเอาเหลาเหล็กมาเหลาเหล็กก็ไม่เข้าอีกอ น, นั้นก็เสียบก้นดีๆนี่แหละไม่มีอะไรดาบทนั้นก็ คิดว่าเป็นกรกรมเก่าของเรากระมังหนอที่จะต้องเรียกว่าถูกจับตอกก้นอยู่ประจำเนี่ยนะแต่ว่ามันตอกไม่ค่อยเข้าอะ่ะเอาเอาอะไรนะเอาไม้ตะเคียนก็นไม่เข้าไม้เสดาก็ไม่เข้าเหล็กก็ไม่เข้าแต่ก็ถูกตอกก็ไม่ใช่ไม่เจ็บอ่ะนะมันก็เจ็บละ่ะมันกรรมเก่าอะไรของเราเนาะระลึกชาติระลึกชาติได้เห็นกรรมเก่าด้วยเหตุนั้นเรื่องมีอยู่ว่าในอัตภาพก่อนคือชาติที่แล้วเนี่ยเป็นลูกของนายช่าง ช่างไหนก็ช่างถากไม้ทั้งหลายเนี่ยนะก็ไปที่บิดาถากไม้เสร็จแล้วก็ไปจับมแมลงวันตัวหนึ่งเอาเสี้ยนไม้ทองหลางนี่เสียบดุดหลาวคล้ายๆสมัยนี้ก็เอามะแรงปอนะเด็ดหางหน่อยแล้วก็เอาไม้เสียบเสียบแล้วให้มันบินเป็นเฮลิคอปเตอร์เล่นนะนะคล้ายๆแบบนั้นนะเพราะเด็กสมัยนี้ก็เล่นไม่ใช่น้อยนะที่ทําลักษณะนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันก็เอามะแรงวันตัวหนึ่งเอาเสี้ยนที่เขาถากักถากเนี่ยมาเสียบกล้น บาปของเขาได้ให้โอกาสณที่นั้นดาบทรู้ว่าตัวเองไม่อาจจะพ้นจากบาปนี้ไปได้ก็เลยกล่าวกับราชบุตรนั้นว่าหากพวกท่านประสงค์จะเสียบเปลาที่เหลาพวกท่านจงนำเหลาไม้ทองหลางมาเถิดราชบุตรก็ทําตามนั้นแล้วก็เสียเหลา่าจัดอารักขาแล้วก็จากไปการนั้นกันหะทีปายณะดาบทคิดว่าเราไม่ได้เห็นสหายมานานแลว้ว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 มีผู้มาเบียดเบียนแล้วมีจิตคิดประทุษร้ายความเป็นสมณะก็แทบจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็ถามว่าท่านรักษาความประทุษร้ายทางใจอยู่ได้หรือไม่มันทพยะปราบทก็ตอบว่าเราไม่มีความประทุษร้ายทางใจต่อราชบุรุษและพระราชาที่จับเราแปลว่าเราไม่โกรธเลยไม่คิดเบียดเบียนหมายคาว่าอาจจะอาจจะเจ็บแต่ก็ไม่ได้เคยคิดประทุษร้ายอีกฝ่ายหนึ่งเลย การหาทีปายนาดาบทก็กล่าวว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นร่มเงาของท่านผู้มีศีลเช่นท่านเป็นความสุขของเรานะดีเหลือกเกินเนี่ยกว่าจะได้ร่มเงาอันนี้ก็เลยนั่งพิงเหลานี่ยแหละที่เขาเสียบก้นไ ว, ว้นั่นแหละเหลาเอ่อถ้าเรียกว่าต้นต้นอะไรนะไม้ท้องหลังเนี่ยเป็นยังไงจริงๆเนี่ยไม้ไมตามวัดต่างๆนี่จะมีต้นแบบต้นไม้หลายๆลายสีนะมีใบหลายหสีนั่นแหละต้นทองหลังนะ ตอนมันจะเป็นน้ำหนาม น, นิดๆแตเป็นน้ำหนามบ้างเกลี้ยงบ้างพวกบุรุษที่ดูแลก็กราบทูลเรื่องนั้นให้พระราชาทราบว่ามีฤาษีอีกคนหนึ่งเนี่ยไปนั่งพิงเหลาอยู่ตรงนั้นะนะพระราชาก็คิดว่าเราไม่ได้สอบสวนทำลงไปก็เลยรีบเสด็จไปทีนั้นก็ตรัสถามทีปายณะดาบทว่าเพราะเหตุไรพระคุณท่านจึงนั่งพิงเหลาอยู่เล่าดาบทก็ตอบว่าอาตมาภาพนั่งคอยรักษาดาบทนี้มหาราช พระราชาก็ตรัสถามว่าพระคุณท่านทราบความที่ดาบทนี้ทําแล้วหรือไม่จึงได้ทําอย่างนี้ทีปายณะดาบทก็ทูลถึงกรรมที่ไม่บริสุทธิ์นะเล่าคือเขาถามทีปายณะดาบทเนี่ยก็ถามพระราชานะในชาดกบอกว่ า, าพระองค์สอบสวนหรื อ, อยังที่ได้ที่ได้รับสั่งอย่างนี้บอกว่ายังอย่างนั้นก็เลยสอนอนะทีปายนะดาบทก็สอนพระราชาว่า ธรรมดาพระราชาควรเป็นผู้ใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำนะค่อยๆตัดสินอะไรลงไปสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเพราะสั่งไปเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนใคร่ครวญให้รอบขอบกรเครือขัดเกลียดคร้านบริโภคกรมไม่ดีถ้ายังอยู่ครองเรือนมีครอบมีครวัวมีลูกมีหลานเป็นต้นน่ยนะอยู่ด้วยความเกลียดคร้านเนี่ยไม่ดีแน่บรนประชิตบวชเข้ามาแล้วไม่ปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ่นกายใจเป็นต้นก็ไม่ดี นะสัมรวมแปลว่าปิดบาปไม่ให้ไหลเข้ามาตามทวารต่างๆถ้าบรรปะชิตไม่สัมรวมไม่ดีพระราชาถ้าไม่ใคร่ควรก่อนทำก็ไม่ดีบัณฑิตมักโกรธก็ไม่ดีถ้าฉลาดจริงก็ต้องไม่โกรธนะนั่นคนที่บัณฑิตผู้ที่ฉลาดถ้าโกรธแล้วไม่ดีทำไมเพราะคนฉลาดนะถ้าโกรธแล้วทุกอย่างมันเดือดร้อนหมดนะคนฉลาดโกรธนี่ไม่เหมือนคนทั่วๆไปโกรธนะคนโง่โงโกรธไม่เท่าไรหรอกคนฉลาดโกรธนี่แม่มันวางแผนคิด ทำลายชนิดที่เรียกว่าคนอื่นคิดด้วยไม่ได้นะแล้วท่านก็แสดงทำให้พระราชาฟังดังกล่าวไปพระราชาก็ทราบว่ามันทัพพดาบทไม่ผิดก็รับสั่งให้นำเหลาาออกพวกราชบุรุษก็ดึงเหลาเหล่าก็ไม่ยอมออกอีกมันทัพยะาฤีก็บอกว่าข้าแต่มหาราชอาตมาภาพได้รับโทษเห็นปานนี้ก็เพราะโทษของกรรมที่ทาเอาไว้ในชาติก่อน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 พระราชากราบสั่งให้ทำอย่างนั้นหลาาก็อยู่ภายในนั่นเองก็ไม่ได้เกิดความเดือดร้อนอะไรในยะครั้งนั้นเนี่ยนะมันทัพพยะดาบทนี้เอาเสี้ยนอย่างเล็กเสียบเข้าไปในผิวหนังของแมลงวันเสี้ยนนั้นยังอยู่ในร่างกายของแมลงวันนั่นเองแมลงวันไม่ได้ตายด้วยเหตุนั้นแต่ตายด้วยสิ้นอายุ ข, ของมันเพราะฉะนั้นมันทัพพยะมานบจึงไม่ตายดาบทนี้ไม่ตายก็เพราะว่ากรรมนี้ไม่ครบองค์ทำปานอิบาทไม่ได้ตายเพราะ ฆ่ า, มาแมลงวันมแมลงวันไม่ได้ตายเพราะฆ่าตายตามอายุขของมันนันรือสีก็ไม่ตายเพราะเสียบเหล่าขอันพระราชาไหว้ดาบทแล้วก็ขอขมาส่งให้ดาบททั้งสองอยู่ในพระราชอุทยานนั่นเองแล้วก็บำรุงตั้งแต่นั้นมาดาบทนั้นก็มีชื่อว่า อ, อ, อานิมันทพยะอานิแปละว่าลิ่มะนะอานีก็แปละว่าลิ่มะนะ คิดว่ามันทัพยะที่มีลิ่มอยู่ในตัวว่างั้นถูกตอกลิ่มมาไว้แล้วว่างั้นดาบท น, นอาศัยพระราชาอยู่ณพระราชอุทยานนั่นเองส่วนทีปายณะดาบทชำระแผลของมันทัพพญามันทัพพญดาบทจนหายดีแล้วก็ไปยังบนนาารรณศาลาที่มันทัพยะผู้เป็นสหายของตนเมื่อครั้งเป็นครือขัดดังที่พระองค์ตรัสเล่า ว, ว่า สหายเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเราชื่อว่ามันทพยะเป็นฤาษีมีอนุภาพมากประกอบด้วยบุรพกรรมถูกเสียบด้วยเหลาทั้งปวงนี่ขนาดทํากับแมลงวันน่อย่างหนักขนาดนี้ถ้าทํากับสัตว์โตๆกว่าแมลงวันใหญ่ขึ้นมาเป็นกบเป็นเขียดเป็นปลาเป็นไก่เป็นหมูตลอดจนถึงเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายเป็นคนด้วยจะขนาดไหนเนาะนี่ขนาดขนาดไหนนะขนาดแมลงวันตัวน้อยตัวกระจิตรเนี่ยไง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 สายมันทัพพญานั้นได้ฟังแล้วก็ดีใจพร้อมด้วยบุตรภรยาถือเอาของหอมดอกไม้น้ํำพึ่งเป็นต้นเป็นอันมากไปยังบรรณาศาลาไหว้ทีปายนาดาบทล้างเท้าให้นะให้น้ําดื่มนั่งฟังเรื่องราวของอานิมันทัพพญาดาบทานะฤศีนี้ก็เล่าให้โยมฟังนะเล่าให้อุปถาฟังว่าเออเนี่ยฤศีคนนี้ไปถูกเสียบก้นมาอย่างนี้นะกรรมเก่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เล่าให้ฟัง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 ดาบดกบอกดีแล้วก็ทําสัจจะกิริยาจึงวางมือไว้บนศีรษะของยัญยทัศน์ทําสัจจะกิริยาว่าพรามผู้เป็นสหายของเราอันนี้นี่เล่าทวนถอยหลังนิดหนึ่งว่าพรามผู้เป็นสหายของเราเราได้พาพริยาและบุตรต่างถือสักการะต้อนรับแขกรวมสามคนมาหาเราเรานั่งเจรจาปราศัยกับสหายและพริยาของเขาอยู่ในอาสมของตน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 เราไม่ปราถนจาจะประพฤติเสียเลยด้วยความสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เด็กนี้เถิดพิษจงระ ง, งับยันญทัดกุมารจงเป็นอยู่แม่คําอธิษฐานเนี่ยนะครับบวชไปครับทนบวชอยู่ได้ก็ยังเอามาตั้งสัจจะอธิษฐานได้เหมือนกั้นะแสดงว่าความจริงนี้เป็นสิ่งที่เอามาตั้งสัจจะกันได้ขอให้มันสิ่งนั้นเป็นความจัดเป็นความจริงเถอะอาศัยความจริงก็ตั้งสัจจะกิริยาได้อนน เมื่อพระโพธิสัตว์ทาสัจจะกิริยาอย่างนี้พิษก็ตกจากสรีระของยันยทั์ลงสู่แผ่นดินกุมารก็ลืมตาแลดูมารดาบิดาลุกขึ้นร้องว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพร้อมกับเมื่อเราทำสัจจะกิริยาเด็กวันไว้ด้วยกำลังพิษไม่รู้สึกตัวได้ฟื้นกายนะได้ฟื้นกายหายโรคลุกขึ้นแต่ว่าในชาดกเนี่ยนะในชาดกกล่าวเพิ่มเติมกว่านี้บ้างว่า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 สมณพราหมณ์ผู้เป็นประหูสูตรก็ไม่รู้ความที่เราไม่รักเราไม่ปรารถนาจะให้แต่ก็ยังให้นะเบื่อบุรุษทีก็โอ้ยอะไรจะเรื่องมากขนาดนั้นนะเบื่อเหมือนกันอ่างนั้นะด้วยความสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เราพีชจงระงับขอยันยทัดกุมารจงอยู่เป็นอยู่เทิดเนี่ยนะแสดงว่าอะไรนะมีคนมาเยี่ยมมีแขกมาเยือนมีสมณพราหมณ์นักบวชเข้ามาหามาให้ให้ทําบุญถวายทานเป็นประจําหลายครั้งก็เบื่อเหมันกะันนะ แต่ก็ยังทำอยู่นะด้วยสัจจวาจานี้ขอให้ลูกเนี่ยจงมีชีวิตอยู่ต่อไปเสร็จแล้วก็คำของของพ่อนี่ไม่เท่าไรแต่คำของแม่นี่แหมฟังแล้วทำใจไม่ได้ก็งั้นก็บอกว่า ค, คือภรรยาเนี่ยขอขอบอกขอร้องสามีนะว่าจะให้ทำสัจจะกิริยาไหมขอทำไหมอนุญาตไหมบอกที่รักเธอทำไปสิก็เลยบอกว่า ดูก่อนพ่อธัญทัศน์อสสารพิษมีพิษร้ายออกจากปล่องได้เห็นเจ้าวันนี้ความพิเศษอะไรอะไรไม่มีแกเราหมายคาอว่าเราเนี่ยพอเห็นอสารพิษออกจากปล่องมากัดเจ้าเราไม่มีความรักในอสารพิษพอพๆกับใครพอพอกับในบิดาของเจ้านั่นแหละก็เรียกว่าไม่รักอะไรนะไม่รักงูพอๆกับไม่รักพ่อของเจ้านั่นแหละไม่รักพ่อของเจ้าพอๆกับไม่รักงูว่างั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่เจ้าพิจงรังรับยัญญาทัดกุมารจงเป็นอยู่เถิดอยู่ได้กันยังไงไม่รู้นะเกลียดงู่างนเขาบอกด้วยคำสัตว์นี้ทั้งหมดก็เลยบเขาบอกว่าความพิเศษอะไรอะไรไม่มีแก่เราเพราะเราไม่มีความรักในอสสารพิษและในบิดาของเจ้า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 เชื่อว่าผู้ให้ทานควรให้ด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมะนะก็แนะนําเรื่องการทำบุญไปว่าการทําบุญการต้อนรับการเชื้อเชิญเนี่ยเป็นสิ่งที่มีผลสมณพราหมณ์ที่เข้าไปในบ้านนี่มีผลยังไงถ้าเราลุกขึ้นต้อนรับกราบไหว้เชื้อเชิญเป็นต้นเนี่ยก็จะค่อยๆเล่าไปในที่สุดก็แนะนําสั่งสอนฝลายตัวเองก็สอนตัวเองเหมือนกันนะบันเทาความไม่ยินดีในเรียกว่าเมื่อก่อนก็ทนบวชอยู่ได้ตอนนี้ก็บวชทนแล้วให้มีศรัทธาเห็นคุณของ การบวชการประพฤติพรหมจรรย์ dafür, เนี่ยนะบรรเทาเห็นทุกข์เห็นโทษของอกุศลทั้งหลายปฏิบัติธรรมยังชานอภินยาสิ้นอายุก็เกิดในพรหมโลกมัทัพยะ ท, ที่ที่อุ้มลูกไปไปเฝ้าฤาษีเนี่ยก็คือพระอานนท์พระยาของมัททพยะก็คือนางวิสาขานางวิสาขาลูกที่ถูกงูกัดก็คือพระราหุล อันนี้มันทัพยะก็คือภาษาริบุตรนะคนภาษาริบุตรอดีตชาติเคยไปเสียบแมลงวันเอาไว้ก็เลยถูกเสียบพ้นเหมือนกันส่วนกันหะทีพายานะก็คือพระโลกกนาฏเนี่ยนะนี้ก็ข้อความในสัจจะบา ร, รมีนะสัจจะบา ร, รมีที่ในกันหะทีพายานะจริยาที่สิบเอ็ดส่วนสัจจะกิริยาอื่นก็คงวันต่อไปนะด้วยสัจจะสัจจะที่พระพุทธเจ้าประพฤติตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์